สแสวงหาบุญใครเป็นผู้แสวงหาบุญก็คือใจเป็นผู้แสวงหาบุญทำไมจึงสแสวงหาบุญก็เพราะเชื่อว่ามีบาปมีบุญจึงสแสวงสร้างบุญเชื่อนะพพุธระธรรมพระสงค์อย่างสนิด ไม่สงสัยเพราะคำสอนใดๆในตัวพระธาตุันเป็นเมืองขึ้นคำสอนของพระพุทธศาสนาหมดอยู่ในตัวใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาความจริงในชั้นนี้มันเป็นจริงอยู่ไม่มีมนุษย์เทวามารพรจะไปลบเลือนได้ ของสูงของดีของเปิดเสรฐกว่าเพื่อนเราจะไปตีค่าให้ต่ำลงมันก็เป็นไปไม่ได้ฉันได้็ดีคําคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นของสูงเนื้อใยทั้งปวงในโลกจึงทรงพระนามว่าโลกวิถูอย่างเต็มภูมิไม่กระด้างกระเดืองเลย อนุตโรโพธิสัตธรรมสาถิตเป็นผู้เยี่ยมฝึกตนและฝึกผู้อื่นเหมือนนายสารถีฝึกว่าสัจธาเทวมนุษย์ชานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างเต็มภูมิเลยว่าเป็นอย่างนี้คำสอนใดในใจโรกก็ข จะเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาะไปลงสเตจนักมวยอันเดียวกันมันก็ไม่ถูกจะเอารัฐที่อื่นๆมาเท่าทันเทียมถึงพระพุทธศาสนาะมันก็เท่ากับว่าอึ่งอ่างพองตัวให้สูงขึ้นเหมือนวัวเดี๋ยวทองแตกตายคาที่ เท่านี้ได้ไหมเท่านี้ได้ไหมกลางท่ อ, อ, องออกเท่านี้ได้ไหมตะเบงท่องออกเท่านี้ได้ไหมมันยังใหญ่กว่านั่นคุณแม่คล้องตัวขันเอกคล้องตัวคันเอก็อกกท่องแตกตายเรื่องเจ้า อ, อื่นมาเที่ยวกับพุทธศาส น, นานั่นเองเพราพุทธศาส น, นาไม่เป็นหน้าที่จะไปซ่อมมวยกับชาวโลก ไม่เป็นหน้าเที่จะไปสอบเอาคะแนนเอกครับใครๆเลยใครจะนับถือหรือไม่นับถือก็ไม่เป็นปัญหาก็เป็นเรื่องของพู้นั้นแต่ความจริงนั้นพระพุทธศาสนาสูงกว่าใดๆทั้งปวงในไตโรคัคคาะจึงทรงพนามว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระวาเติพุทโธ เ, เป็น ผู้บิกบานแล้วพระขวาเป็นผู้จำแนกทำมีธานวัดศีวัดป่านาวัดศินห้าสินแปดสินสองร้อสิเจ็ดสั่งสอนชาวโลกไว้ทุกยุคทุกสมัยเป็นคำสอนอันเดียวกันตรงเพียงเลยพระพุทธเจ้าจะมาขี่นั่นล้านพระองค์ก็ตามเถิดคำสอนก็เป็นอันเก่าไม่ได้รบล่างพรบกันเลยนะ เฉะนั้นจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ถือแบบว่าบ้าบอเบอเบอร์อะไรสัทวทังสัพพัญชนางเกวระปริปุนงังปริสุทธังพรหมจรยังประกาศเสสิได้ประกาศพรหมจันท์บริบูรณ์ทั้งอัตถ์ทั้งพยัญชนะแล้วไม่มีอันใดจะบกพร่อง เหตุฉะนั้นจึงมีเข้าวเนบัญญัติว่ามีทำบัญญัติไว้เมื่อบัญญตัญญติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามับัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ใงนักศึกษาบทตามที่ทพระองค์ทรงสั่งสอนเมื่อเราไม่สงสัยคําสอนพระพุทธศาสนาะการเคารพบรรลุพระพุทธศาสนาะเราก็ไม่ลังเล เราก็ไม่กระด้างกระเดืองด้วยพอใจด้วยจิบเวลาไหนก็เค็มเวลานั้นเหมือนเกลือจิบน้อยก็เค็มน้อยจิบมากก็เค็มมากก็เว้นแต่ชูขหาพระสาวพิการคำสอนแต่ละบทละบาทสอนให้รู้จักมนุษย์สมบัติด้วยให้รู้จกัก สวรรค์สมบัติ ด, ด้วยถ้ารู้จักนิพพานสมบัติ ด, ด้วยสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้เอามาสอนเลยเป็นโหนเอกพระองค์ไหนๆก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้ร่างพรบกันเลย ส, ลสากลศ า, น า, นาสนานานาศาสนาหนึ่งศาสนาพุทธ สองศาสนาพราหมณ์จะเป็นที่หนึ่งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ที่ถือว่ามีบาปมีบุญที่ถือว่าตายแล้วเกิดนเป็นฝ่ายพระพุทธศาสนาของเราพวกที่ถือว่าตายแล้วสูญไม่ใช่พระพุทธศาสนาของเราพวกพราหมณ์แบ่งเป็นสองพวกแต่ละพวกละพวกก็แบ่งออกเป็นสองอีกเป็นสี่อีกก็ที่ถือว่าตายแล้วสูญพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิด พวกที่ซื้อก็เกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์อยู่ยไม่ชุดติแปรผันไปบางพวกก็เกิดเป็นมนุษย์แล้วจุติแปรผันไปด้วยกรรมและผลของกรรมที่ตนทําไม่ดีอันพวกนี้มันเข้าใกล้กัพบพรนะพุทธศาสนาพราหมพวกนี้พราหมณ์พวกถือที่ตายแล้วศูนย์มันก็ไปเข้ากับพวกเท่าโลกของเราที่ถือว่าไม่มีบาปไม่บุญ พรามที่ถือว่าตายแล้วเกิดมันก็ไปเข้ากับพวกศาสนาอื่นๆ น, นอกจากพวกที่ไม่ถือว่ามีบุญมีบาปมาแต่เป็นศาสนาต่างๆศาสนามันอยู่ที่จิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนมัไม่อยู่ในที่อื่นพุทธศาสนาก็ทรงอยู่ที่ใจธรรมศาสพุทธศาสนาก็รู้อยู่ที่ใจ ธรรมศาสนาก็ทรงไม่ที่ใจสังฆศาสานาก็ปฏิบัติที่ใจตบลงพุทธธรรมสงก็ทรงอยู่ที่ดวงใจไม่ได้อยู่ที่อื่นหาที่อื่นก็ยังตื่นไม่พบจะหาบุญหาบาปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อื่นมันไม่พบถ้าเห็นมันก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้หาเพราะใจเป็นผู้เคารพ ถ้าใจไม่เคารพแล้วจะหาอยู่ที่ใจมันก็ไม่เห็นถ้าใจเคารพผีถือผีหาหัวใจก็เห็นแต่ผีอยู่ที่นั่นก็คือเราเป็นผีนะผีก็คือผีศพชาวภาคอีสานพูดชาวภาคกลางเขาเรียกว่าศพเฉยๆภาคอีสานผีเติมเพิ่มอยู่เพราะบางทีมันก็พูดไม่เพราะเรียกว่าผี กรรมฐานอยู่ที่ไหนหนังหุ่มอยู่ไดยรอบพุทธศาสนาสอนอะไรสอนหนังหุ่มอยู่ได้รอบพุทธศาสนาสอนย่อสอนยังไงจงทําจิตให้บันเทิงในการละบาปบาเพ็ญนุนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดลงมาหาใจ ขยายออกเป็นสามจงปฏิบัติกายวาจาใจอย่าให้มีโทษกายกรรมสามข่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอย่าให้มีเม่อจสุดจิตสี่พูดเท็จพูดส่อเสียพูดคำหยา พ, พูดเพื่อเจออย่าได้มีมโนทุจริตสามโรคอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทปองร g ไยท่านผู้อื่น เห็นผิดจากทำนองครองทมให้เว้นซัพูดเป็นสามพูดเป็นสี่ท่านสอนพูดเป็นสี่ทีดินน้ำไฟรมจมกันเป็นกายเรียกว่ารูปรูปก็คือกายนี่เองสอนเป็นห้า เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พูดอันเก่าแต่ว่าเรียกเชื่อใหม่พูดเรื่องกายกับใจนี่เองขยายออกกายกับใจขยายออกเป็นห้ากองเรียกว่าขั้นห้าหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาสี่สังขารห้าวิญญาณธาตุสี่คือดินนะ้ำไฟลมรวมกันเป็นกายเรียกว่ารูป ความรู้สึกอารมณ์ในเวลารูปมากระทบเนตตาเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณขันห้าย่นเรียกว่านามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามรูปก็คงเป็นรูปตามเดิมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แ ป, ปลปวนได้แตกสลาย่ ตอนนี้นพิจ า, ารณาลงสู่ไตรับอันนี้เป็นธรรมชั้นสูงเลยนนี้พัฒนาปัญญาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็ถูกเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาก็ถูกเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาอบรมกันก็ถูกหนังเนื้อเอ็นกระดูกอบรมกันกระดูกเนื้อหนังเอ็นอบรมกันก็ถูกเพราะอาศัยซึ่งกันและกันดินน้ำไฟลมอาศัยซึ่งกันและกัน ก, ก็เล็กแต่และก้อนแล้วก้อนแล้วเอาไปเผามันก็เกิดไฟเรียกว่าธาตุดินที่เป็นของแข็งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แปลโปรได้นนแตกสลายหาหว่างไม่ได้เป็นยุกยุกยุหาดว่างไม่ได้เลยกรรมฐ า, านในไรว่าพุทธศาสนาย่ น, นลงมามี สกรรมฐานย่นลงมาให้เป็นสองย่นลงมาให้เป็นสาพวกฐานของกายของวาจาของใจอย่าให้มีโทษอันเก่านั่นแหละแต่วาไ ม, ม่โทษไม่มีโทษในเรื่องละเมิดศีลเป็นไม่มีโทษอย่างหยากไม่ละเมิดในสมาธิเรียกว่ากิเลสอย่างกาเรียกว่าธรรมะอย่างกา เรียกว่า ช, ชำระกิเลสอย่างกางไม่ละเมิดในปัญญาเรียกว่าชำระกิเลสอย่างละเอียดนะแต่ศสียสมาธิปัญญาแยกกันไม่ได้ข้าดับหน้ากับตากับจมูกแยกกันไม่ได้เพราะอาศัยซึ่งอันเดียวกันเคยเห็นหน้ากันเคยเห็นหน้าก็เคยเห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันนั่นฉันเองก็ดีเคยรู้ในพิจารณาพระพุทธทาศาสนา เมื่อพิจาณาพุทธศาสนาก็ธรธรมศาสศาสนาทั้งศาสนาก็อยู่อันเดียวกัน น, น, นั่นเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ในตัวผมมาจันทร์เบื้องต้นไม่เสียดายอยากรวงละเมิดสินห้า ไม่เสียดายอยากเล่นอาวัยยมุกไม่เสียดายอยากจัสาบแข้งและขอดเวรขอดภัยกับท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับผูกเวรไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นเช่นพราหมณ์หรือผี หรืออะไรอะไรนอกจากพรพุทธศาสนาไประลึกถึงคุณเวดามานาันดาไม่เวดามันดาไม่ใช่ผีหรือเวดามันดาไม่ใช่ผีหรอกเพราะพักคุณของท่านไม่ใช่ะระลึกถึงผีรลึกถึงพระคุณของท่านปุญญาตาทวดหรือท่านผู้มีคุณไม่ใช่ะระลึกถึงผีรลึกถึงพระคุณตา กรมมฐานไหนๆก็ดีหมดขอให้ภาวนาพุทโธก็ดีเหมือนกันเพราะพุทโธไม่พามาเกิดไม่พามาแก่ไม่พามาเก็บไม่พามาตายไม่พามาโรคไม่พามาโกรธไม่พามาหลงธรรมโมก็ทรงไว้ซึ่งทำอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่โรคไม่โกรธไม่หลง สังโฆก็ปฏิบัติเพื่อไม่โรคไม่โกรธไม่หลงเพื่อไม่เกิดไม่เก่ไม่เก็ียดไม่ตายตกลงพุทโทธธรรมสังโฆจะว่าน้านร้านคำก็เป็นคำเดียวกันกลมกลืนกันอยู่ เสียงอันเกิมรู้จักไหมเสียงอันเกิมด้วยจักไหมคือเอามาแต่ประเทศยวนเสียงอันเกิมพวกขาพวกเขาไปเยี่ยมยวนเขาเอาเสื้อมาท่านพื่ใดสงสัยอะไรไม่รู้ว่าจะเทศอะไรนึกถึงอะไรก็น่าเทศหมด ไม่รู้ว่าจะพูดปารบอะไรนึกถึงอะไรก็หน้าพูดหน้าปลารบทางนั้นกระชวยกระจายถึงกระชวยกระจายก็ตามก็กระชุยกระจายออกมาจากใจถ้าย่นก็ย่นลงมาถึงใจถ้าพูดน้อยก็น้อยลงที่ใจถ้าพูดมากก็มากลงที่ใจทำบุญถ้าน้อยก็น้อยลงที่ใจทำบุญถ้ามากก็มากลงที่ใจทำบาปก็โดยในเดียวกัน บาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจมักผลเนพานก็ไปบวกมักผลเนพานอยู่ที่ใจไมไ่ไปบวกอยู่ที่อื่นคูนก็เหมือนกันถ้ารบก็ลบออกจากใจยลบออกจากใจก็คือบาปสิ่งอื่นไม่เป็นหน้าที่จะลบเธอทั้งหลายอย่า ก, กลัวบุญพระบรมศาสดาเมื่อเธอทำมากมากแล้วเธอจะเข้าสู่นะนพาลพวกเธอทำไมมากเสียแล้ว ฉไ น, นพวกเธอจะอยู่เหนือบุญได้ถ้าพวกเธอละบาปยังไม่พอฉไ น, นพวกเธอจะอยู่เหนือบาปเหนือบุญได้พวกเธอสร้างบุญพอทั้งบุญตอนไหนไหนบาปตอนนั้นนั่นก็หายไปถ้าพวกเธอสร้างบุญทั้งหมดบาปทั้งหมดก็หายไปด้วยคำว่าบาปจงเว้นให้ไกลซัก ถ้าใจไม่สร้างขึ้นมามันก็ไม่มีอยู่เพราะมันเกิดขึ้นที่ใจใจเป็นผู้ทำให้เกิดอารมณ์ของใจไม่มีแต่บาปอันเดียวมีแต่บุญเธอทั้งหลายจงเอาอารมณ์อันเป็นบุญมาเชี่ยววนดเอื้องและกืนกินเถิดพระบรมชาติลา หลังสำหรับนอนก็ต้องนอนแต่ไม่นอนขวางหนามตาสำหรับดูก็ดูแต่อย่าให้ไม่โทษหูสำหรับฟังก็ต้องฟังแต่อย่าให้ไม่โทษชิงทั้งหลายมันก็ส่งไปหาเมืองไกลมดัด ใครไปรับอะไรอะไรมาใจนี้รับแขกมาทางตาแขกจำพวกหนึ่งจำพวกหนึ่งก็มาทางหูจำพวกหนึ่งก็มาทางจมูกจำพวกหนึ่งก็มาทางลิ้นจำพวกหนึ่งก็มาทางกายมาทางกายคืออะไรคือเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบให้รู้จักว่าเย็นบ้างร้อนว่า เก็บบ้างปวดบ้างหรือพอใจบ้างหรืออุ่นบ้างหรือร้อนบ้างส่งเมย์มาแะพึชแต่เพือแต่เราเกิดมานี่ไม่เห็นมันหยดมันหย่อนสักทีมันส่งเมย์เข้ามาหาตาก็ส่งเมย์รูปเข้ามาหูส่งเมย์เสียงเข้ามาจมูกก็ส่งเมย์กลิ่นเข้ามาริ้นก็ส่งเมย์รถ พอมากระทบกันแล้วร่างกายก็ผูดสะพะธรรมารมธรรมารมทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตโคตรด้วยธรรมารมคืออะไรคือตาหูจมูกเล้นกายใจเป็นอดีตคือเรื่องตาหูจมูกเล่นกายใจอนาคตคือเรื่องตาหูจมูกเล่นกายใจในปัจจุบัน สามสหกาตะลุหมวดหีบตะลุบาตะลุหมวดละหกสิบหมวดเกิดขึ้นปแปลวแปละปปวนมันได้รับไปเหมือนกันนะงานของตาไม่ครบสิ้นงานของหูก็ไม่กรบสิ้น งานของจมูกก็ไม่จบเส้นงานของลิ้นก็ไม่จบเส้นงานของกายก็ไม่จบเส้นงานของใจ ก, ก็ไม่จบเส้นจะจบเส้นทันก็คืออนุภาติเสสานิฟานคือพระรหารตายแล้วจบเส้นทั น, นถึงจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามก็ย่อมได้ใช่อยู่ทันพระพุไปแล้วนะ พวกเราทั้งใช่ด้วยทั้งมีกิเลสด้วยตากูหูกูกะมูกูเล่นกูกายกูใจกูส่วนพระอริยเจ้าทันพลไปแล้วใจเป็นจะศักกว่าใจตาเป็นจะศักกว่าตาหูเป็นจะศักกว่าหูลิ่นเป็นจะศักกว่าลิ่นกายเป็นจะศักว่ากาย ใจเป็นแต่สักวาใจท่านแยกออกซะท่านไม่มีเรามีเขาอยู่ในที่นั้นเหตุที่จะให้ท่านเกิดราคะโทสะโมหะมันก็ไม่มีเพราะปัญญาของท่านเหนือความหลงของตนไปพวกเรายังถูกแพ้ความหลงของตนอยู่ก็จําเป็นก็ต้องต่อสู้มัน มันบอกว่าใสา้หันอย่างนี้บางทีเราก็ไม่ต้องหันไปตามมันอันนี้อันนี้น่าพอใจรักใคร่เกี่ยมตัวซะบอกมันมันละอายมันนี่หรอก นี่เป็นหน้าโกรธว่าเกียมตัวโกรธซะบอกมันมันก็หายไปนี่หน้าหลงเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลซะหลงซะเกียมตัวหลงซะบอกมันเมื่อบอกมันทันแล้วมันก็หายไปหรอกบอกไม่ทันมันก็ไม่หายล้วนี่เรียกว่าด้านปัญญาอบรมศินสมาธิด้วยหรือวสวาศีลสมาธิอบรมปัญญาก็ถูกเหมือนกัน เราจะภาวนาไปมากสักเพียงไหนก็นตามเถิดในใจโลกะท่านลงมาสู่แห่งเดียวกันคือเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแตกสลายทั้งนั้นแหละเออโลกในบรรจุแต่อเนจจังบรรจุแต่ทุกบรรจุแต่อนัตตาไม่ใช่ตัวตนอเนจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่อยู่คนละเป้าเป้าเดียวกัน เป็นคณะคิดเห็นต่างหากลมหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเว้นไว้แต่ไม่ต้องการเห็นทั้งความความเกิดขึ้นและแปรปรวนและแตกสลายพอเราบัญญัติว่าต้นลมก็มาเป็นกลางลมและมาเป็นท้ายลมใช่แล้วหาระหว่างไม่ได้ความเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้ความแปรปรวนหาระหว่างไม่ได้ความดับไปหาระหว่างไม่ได้ สิ่งทมที่ไม่เกิดขึ้นก็หาระหว่างไม่ได้ทมที่ไม่แปรปวนก็หาระหว่างไม่ได้ทำที่ไม่ดับไปก็หาระหว่างไม่ได้เป็นจริงทั้งสองทางไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้อีกทำทั้งหลายเหล่านี้จริงอยู่อย่างนั้นไม่มีท่านผู้ใดจะไปแต่งมาให้จริงไม่ได้เหตุนั้นจริงว่าอธิษจังจริงอย่างประเสริฐ ทำฝ่ายสังขารก็เกิดดับอยู่หาลาวางไม่ได้ทุกอยู่หาะหวางไม่ได้ทำฝ่ายที่ไม่สังไม่ใช่สังขารนั่นคือพระนิพพานก็ไม่มีที่เกิดก็ไม่มีที่แปรปรวนก็ไม่มีที่ดับหาะหว่างไม่ได้อีกเหมือนกันที่นี่เรื่องทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับน่นพวกเราได้ประสบการณ์มามากแล้ว นี่แต่ทุกเกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เ ก, เก็บตายอยู่ในวัฏจักรสงสารเนี่ยเหตุฉะนั้นจึงปฏิบัติอยากปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกในวัฏจักสงสารปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกในวัฏจรสงสารเนี่ยปัญหาไม่มากไม่นิดเดียวถ้าเพื่อลาบเพื่อยศเพื่อสนเสริญยืนรออะไรอะไรมต่ออะไรปัญหามันก็มาก เมื่อปัญหามันมากมันก็ไม่ชนะชนังที่จะแก้ทีนี้เมื่อมันรู้เท่าปัญหาแล้วปัญหาหากสายไปเองยกมุทารหนเช่นยืนยันหน้าเดียวดิงว่าโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันมีแต่ทุกข์เท่านั้นมีแต่อันิจังเท่านั้น จะเกิดมากี่ชาติกี่ภพก็มีแต่ทุกข์กับตายเท่านั้นถ้ารู้ชัดว่าโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยกองทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วเนี่ยปัญหาอะไรมันจะมากแท่ในใจในใจของเราเราจะทะเยอทยานไปเพื่ออะไรมันก็ต้องห้ามเบรกลงเพราะเหตุใดมันจึงห้ามเบรกไมมลงเพราะเราไม่ค่้อยพิจารณา พราะเอาความหลงมาเป็นอาการมากกว่าความรู้ตามเป็นจริงเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้หลงอยู่นานเหตฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านจึงบอกว่าพาวิตาพระุเรกตาท่านทั้งหลายจงทําให้มากจงพิจารณาให้มากเถิดความหลงของเธอทั้งหลายหากจางไปเองดอกนี่พวกเรานา น, า น, านๆจึงจะมาเยี่ยมคราวหนึ่ง นานๆจนึงจะมาเยี่ยมข้าวหนึ่งเพราะความหลงมันไม่มากกว่าเนี่ยเครื่องดึงดูดมากกว่าเนี่ยทำใจระบ า, บาดของพุทธศาสนาค่ายๆกับว่าร่องเรียกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนลูกหลานเอ๋ยลูกหลานเอ๋ยมาเถิดมาเถิดมนุษย์โลกเทวโ ล, ลกสวรรคโลกพมโลกพ่อได้อยู่แล้วมาหาพ่อซะพระเนรพลค้าๆก็ว่ า, า, า บ, บอกว่าอย่างนั้นละ่ะ แต่พวกเราไม่ฟังสะทคำหูบอกหูหนวกบางทีกาครับบ้างบางทีก็ผมบ้างแต่ว่าคำสอนแต่ะละว่ฏวาบาทเนี่ยร่องเรียกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเอ้าสมมติซัจจทันดังตีประกาศกล้องอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหมือนกลองทันเทศอย่างนั้น โอความแก่ก็ไม่ลงทำว่าความเก็บก็ไม่ลงทำว่าความตายก็ไม่ลงทำว่าก็เกิดอยู่ที่ไหนก้นตายก็อยู่ที่นั้นก็เกิดอยู่ที่ลมเข้าลมออกก้อนตายก็อยู่ที่ลมเข้าลมออกเหมือนกันถ้าลมไม่ออกก็บอกว่าตายถ้าลมไม่เข้าก็ต้องเล่าว่าตายอันเดียวกันนะ พฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรเพื่อจะบันทอนกิเลสไม่ให้มาเกิดแก่เก็บตายในวตาทุงสารอีกจนถึงที่สุดทุกโดยชอบมีความหมายเท่านั้นผู้บรรมีแก่กล้ามาแล้วก็ดิ่งพระ涅槃สมบัติเลยเพราะเหตุใดจึงดิ่งพระานสมบัติด้วยเห็นชัดอย่างนั้นแล้วก็ตัดความสงสัยในโลกทางปวง คิตใจก็ดิ่งถึงพระนิพาลท่านั้นเหตุที่คิดใจไม่ดิ่งถึงพระนิพานก็เพราะอะไรก็เพราะยังจะหาความสุขในโลกอยู่เพราะกิเลสยังหนาถ้าเรายังไม่ยินดีในพระนิพานเรายังแสวงหาความสุขในโลกอยู่เขาขอให้ทราบเถิดว่า บาลมีของเรายัางอ่อนอยู่นะเมื่อรู้ว่าอ่อนก็รีบทาให้แข็งแกร่งขึ้นผูตให้ท่านไม่ลืมตัวในวัฏฏะสงสารเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าเห็นโลกทั้งพวงเป็นอนิจจังเห็นโลกทั้งพวงเหมือนหลุมฐานเพลิงคือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์ก็สิ่งนั้นทนได้ยาก ถ้าไม่ทุกข์ก็ลองปิดจมูกดูสิปิดปากดูนั่นแหะก่อนตายอยู่ที่นั่นก่อเกิดอยู่ที่ไหนก่อนตายก็อยู่ที่นั่นเกิดมามากแล้วพวกเรายเรียนวิชาเบื่อเกิดแต่มามากแล้วเจ็บมามากแล้วตายมามากแล้วจนนับไม่ไหวแล้ว แย่เรียนวิชาอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บ ไ, ไ, ไม่ตายไปนี่เกิดแก่เก็บตายโรคปวดหลงไม่ได้เข้าใจว่าเป็นของใหม่ของเก่าที่เคยท่องที่เอามาในวัฏจักรสงสารนั่นเองคราวนี้จะร่างสมองใหม่ทีนี่ยจะไปเดินตามทางเก่าความพิษก็าทางเก่าความถูกก็าทางเก่าเหมือนกัน วัตาสงสารก็เป็นทางเก่าพระเ่ปานก็เป็นทางเก่าเหมือนกันนั่นแต่เมื่อเปิดออกก็เป็นของใหม่ใม่อยู่้จะมาแข่งเกิดแข่งแก่แข่งเก็บแข่งตายแข่งกินแข่งขี้แข่งอะไรต่ออะไรกันอยู่นี่แข่งเปื่อยแข่งเน่าแข่งกินแข่งขี้แข่งเกิดแข่งเก็บแข่งตาย แขงร่ำแขงรวยแขงดีใจแข็งเสียใจยกทองขาวเท่นเบื่อเท่นี่เบื่อแล้วยอมแล้วทะเลหลงเอ๋ยเมื่อทะเลปัญญามาแล้วทะเลหลงจะแตกรกะเจอผมพูดอย่างนั้น แต่ก่อนข้าพเจ้าเคยลงมาเดี๋ยวนี้พระปัญญามาแล้วข้าพเจ้าจะไม่สงสัยในโรคทั้งปวงละเพอาะเคยสงสัยมาหลายภพหลายชาติแล้วเคยเป็นนี่ความสงสัยมาหลายภพหลายชาติแล้วจะเค็ดจะลาบให้ทานรักษาศีลภาวนา จะมุ่งพระเนปานสิ่งเดียวนามโอเลขนามโอผานามโอบัตรนาเบอร์เบอร์จะทิ้งตูมเลยไม่ไเอามาใกล้พุทโธเลขพุทโธผาพุทโธบัตรพุทโอเบอร์ก็เหมือนกันพุทโธมนุษย์สมบัติพุทโธสวรรค์สมบัติคมสมบัติก็ไม่ประมาทแต่จะ ยินดีในพระเพพานสมบัติไปทางรัฐเราไปทางรัฐเราไปกรุงเทพเราจะไปตรงสักเพียงไหนก็าตามมันก็ต้องผ่านโคราชเหมือนกันจะนอนกี่ปีก็ผ่านโคราชเหมือนกันจะไปวันเดียวคู่เดียวกลับมาก็ผ่านโคราชมันกันนี่เดี๋ยวเนี่ยไปแล้วกลับมาแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วนี่ นั่นจิตนกไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยผ่านโคราชไปแล้วเนี่ยทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาเพราะชอบเพลงแลดูรูปยังไม่เบื่อหน่ายยังไม่เมื่อเบื่อหน่ายตาด้วยเมื่อยังไม่เมื่อเบื่อหน่ายรูปด้วย ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูพระสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงไม่เบื่อเสียงไม่เบื่อหูถ้าโกรธมากก็เบื่อเสียงเท่านั้นไม่ได้เบื่อหูตัวรูปไม่พอใจมาก็เบื่อรูปเท่านั้นไม่ได้เบื่อตาตัวเหตุนั้นจึงมาท่องเที่ยวในวัฏตาสงสาลอยู่ นี่เป็นตัวศีล น, นี่เป็นตัวสมาธินี่เป็นตัวปัญญากลมกลืนกันอยู่ในตัวละทีนี่จัดทั้งหลายทาไมจึงมีจมูกเพราะชอบดมกลิ่นเพราะยังไม่เบื่อหน่ายในกลิ่นยังไม่เบื่อหน่ายในจมูกเพราะยังถือเป็นของเที่ยง เป็นของสุกเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอยู่ทัพย์ทั้งหลายจึงได้มาท่องเที่ยวสร้างอันนี้นัน่มาด้วยความหลงของตนที่สร้างไว้ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าองค์ไหนมาสร้างผู้เป็นเจ้าโ ง, ง่สร้างไว้ที่เรียกว่าอเวชชาอเวชชาสิไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขสมมุทัยไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่ไรู้ความดับทุกข์ไมไ่รู้ทางดนนัมโนนะถึงความดับทุกข์ คู่ไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกโดยจากความาคือไม่รู้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่รู้ทานศีลภาวนานั่นเองไม่รู้บาปรู้บุญนั่นเองไม่รู้ละบาปบาเพ็ญบุญนั่นเองนักทาไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกาย ก็เพราะสัตว์ทั้งหลายยังไม่เบื่อหน่ายในผดทพะไม่เบื่อหน่ายในสกนร่างกายด้วยผดทพะยันรอนอ่อนแข็งเช่นห่มผ้าเป็นต้นหรือเพศกา ม, มารมที่กระทบกันเป็นต้นที่เรียกว่าผดทพะธาตนะทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจ พระสัตว์ทั้งหลายชอบนึกชอบคิดยังไม่เบื่อหน่ายมีปัญหาสอดเข้ามาว่าถ้าอย่างนั้นพระเนปพานไม่คช่ไกลหรอกหรือขอตอบว่าพระเนปพานที่ยังไม่ตายก็คือใจเราดีๆเองคือพระนหันที่ยังไม่ตายก็ใจ แต่ใจไม่ใช่พระนรพานใจเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อพระนรพานต่างหากถ้าทําถูกถ้าทําผิดก็เครื่องเป็นเครื่องลงนรกพระเนพาที่พระอรหันต์ตายแล้วไม่เรียกวาใจเพราะไม่เป็นฐานะเรียกได้แต่เพียงว่าทำอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บ ไ, ไ, ไม่ตายเท่านั้นศูนย์จะเกิดจะแก่จะเก็บ จากตายคาว่าศูนย์ไม่ใช่ศูนย์จนไม่มีพระเนพานศูนย์จากเกิดจากเก่จากเก็บจากตายจากโรคจากโกรธจากหลงจากความเดือดร้อนจากการไปการมาการเกิดการดับศูนย์ออกจากอันนั้นแต่พระเนพานรถของพระเนพานมีอยู่ใครเป็นผู้ได้เสวยรถของพระินพาน ก็นอกจากพระนิพพานไปแล้วก็ไม่มีอันไรจะเสวย ร, รถพระนิพพานใครเป็นผู้เสวย ร, รถเมาสุราก็นอกจากผู้กินสุราเท่านั้นจึงจะเสวย ร, รถเมาสุราเข้าใกลไหมเจ <laughs> นอกจากนอกจากพระโสดาวันลงมาพวกเราได้เป็นแล้วสารพัดมนุชนต่ำชนสูงชันกลางชันรูปขี้้ายขี้ดีชาติรูปสวยรูปงามสารพัดเศรษฐีกุดุมพีพวกเราทั้งหลายได้เป็นหมดแล้วมาในวัฏฏรงสานเนี่ย ที่เราพวกเทาท่องเที่ยวมานี่ตั้งนันทล้านตั้งอสงไขยอสงไขาชาติเลยพวกเราที่ท่องเที่ยวมาในวัดตาทองสาลนี้นกทุกชนิดพวกเราก็เขาเคยคงเป็นได้เป็นมาแล้วมนุษย์ทุกชั้นพวกเราก็เขาเคยเป็นมาแล้วเทวดาทุกชัินพวกเราเคยได้เป็นมาแล้วตลอดถึงมมพุทธมรรคเพราะมันไม่กี่ลางยังยืนหมดอายุก็ลงมาอย่างนี้ละลงมาอย่างนี้ที่นี่พวกเรายังไม่ได้ถึงแต่พระเนพาน หรือสุปฏิปันโนอุชุยายะเท่านั้นถ้าพวกที่ถึงสุปฏิปันโนแล้วก็มีหน้าที่ดิ่งเข้าพระานโดยง่ายเลยไม่ต้องลังวายเรียงรังเลสงสัยว่าจะไปซ้ายหรือขวาหรือกับหลังถ้ายังไม่ถึงพระสวดาวันแล้วก็บางที เลี้ยวขวาก็มีบางทีเลี้ยวซ้ายก็มีบางทีเดินหน้าก็มีบางทีถอยหลังก็มีเพราะมันมีหลายบางทีมันมีอยู่สามสี่บางทีบางทีก็ถอยหลังบางทีก็แวะทางขวาบางทีก็แวะทางซ้ายบางทีก็เดินตรงเดินตรงคือเดินไปสู่พระสดาวันเหตุฉนั้นถ้าผู้ภายนอกชาวพุทธของเรายังไม่ได้ขอให้เอาซักถ้าได้แล้วก็ให้ได้สักคาถาเขามีไปอีกภูมิท้องพระสดาวันไม่ยากเน้อ มีสินห้าบริบูรณ์จะเรียนโยกรมภาวนาหรือไม่ภาวนามันก็ภาวนาอยู่ในตัวเพราะมันไม่สามารถจะล่วงสินห้าเขาเรียกว่าศีรานุสติอยู่แล้วนั่นนก็เรียกว่าส ม, มาทิฏฐิอยู่แล้วเอเขาห้ามว่ายผูดแห้งเ <laughs> <laughs> ขาห้ามว่ายผูดแห้ง <laughs> อย่าเสียดายล่วงละเมิด อาใครอยากได้พระโสดาบันให้เอาเดี๋ยวนี้จะเป็นพยานให้ถ้าเสียดายร่วงละเมิดอยู่ยังไม่ใช่พระโสดาบันเนอถ้าเสียดายร่วงละเมิดสิ้นห้าอาใครเสียดายหรือไม่ตอบเจ้าของให้มันได้ถ้าตอบเจ้าของไม่ได้ก็ตอบโกหกเจ้าของมันก็ตอบไม่ได้หรอกใครเสียดา ย, ยาจะถือศาสนาอื่นมาปนเปบา้าง เวลาเจ็บป่วยร้งกรร้องหาผีร่องหาเทเวดาร้องหาผีเข้าเจ้าทรงใครเชียร์ได้อยากทําอย่างนั้นถ้าไม่เชียร์ได้อยากทําอย่างนั้นก็ถามเจ้าของตอบเจ้าของให้ได้ใครเสียดายอยากจะขอดเวรขอดภัยกับสัตว์ทั้งหลายบ้าใครสงสัยผลศินผลฐานบ้าง ถ้าใครไม่สงสินสงสัยผลสินของผลทานพวนั้นก็คือสูปฏิปันโนเราดีๆนี่เอ๊ะจะภาวนากนตลอดลงก็ตามถ้ายังสงสัยว่าจะถือศาสดาอื่นอยู่มันก็เป็นภาวนาไปทางโลกีไม่ใช่โลกุตระ เอาไม่ยากเราสมัครเป็นทหารมันก็ต้องไปสอบเสียก่อนแล้วกัเราจะสมัครเป็นตำรวจก็ต้องในลงทุนนันนี่น เ, เราไม่ในลงทุนเลยจิตใจก็บริบูรณ์แล้วสกุลากายก็มันเป็นคนง่อยเปรีย้ย ชาตสี่ิลนน้าไฟลมพอแล้วเป็นมนุษย์สมบัติบริบณ์แล้วสวรรค์สมบัติก็ได้มาแล้วคือเป็นมนุษย์ก็ได้รับสุขอยู่บ้างพรหมสมบัติก็ได้อยู่บ้างแล้วก็พระบางเทก็มีเมตตาอยู่ทีนี้เอาโลกุตระซะถ้าท่านผู้ใด ย, ยังไม่ได้ ไม่ต้องทรมานร่างกายให้ลําบากทรมานสิ่งที่เราไม่ควรประพฤติน่เสียดายเล่นอบา ย, ยมุกไม่ใช่พระโสดาบันเนอ้อต่ว่าไม่บอกเนอ้อเสียดายอยากจะคบบิตชั่วก็ไม่ใช่พระโสดาบันเนอ้อ เสียดายอยากล่วงละเมิดสามีของตนอยากละล่วงละเมิดภรรยาของตนก็ไม่ใช่พระวสดาบันเน อ, อเสียดายอยากเล่นอบายมุกต่างๆแข่งมากแข่งวัวกว็ดีชนไก่ก็ดีกัดปลาก็ดี แข่งเรือก็ดีแข่งแพก็ดีเพื่อเอาตังค์ันเพื่อลงเอาจะตังค์กันก็ไม่ใช่พระสวัสดิวันเนอะไม่ใช่ทุพชจรนปเมื่อไม่เย็นดีในพระพุทธศาสนายิ่งกว่าศาสนาอื่นแล้ว ล้างก็ไม่ใช่พระสวสดาวบันแต่ไม่ประมาทเราไม่ยินดีในเหล็กที่ที่มันมีสนิมเรายินดีแต่เหล็กที่มันไม่มีสนิมจะว่าเราลำเอียงหรือไม่ เราก็ไม่ลำเอียงทานอาหารทีนี้แล้วแม่ทานทั้งเปลือกมันกล้วยจะว่าเราลำเอียงมันไหมเพราะมันไม่มีประโยชน์พระอนาาพุโทโธ ก็เป็นพุทโธสุปฏิปันโนถ้าหากว่ามีสิ้นหน้าโมเบูลไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดชิ้นห้าไม่เสียดายอยากฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นแลเรื่อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารฆ่าขายน้ำเมาฆ่าขายยาพิษการฆ่าขายห้าอย่างนี้ พระสูตรปฏิปันโนทัานมาประกอบเลยไม่เสียดายอยากจะทำเสียด้วยถือว่าเบาถือว่าสะดวกดีแบบเย็นใจไม่เสียดายแบบเย็นใจไม่ใช่ไม่เสียดายแบบมุธลุเหมือนพืชนํำลายทิ้งแล้ว ไม่เสียดายอยากจะเอาคืนมาอกีกถ้ายังเสียดายอยากจะเอาคืนมาอีกอยู่ก็เรียกว่าไม่รู้เท่าน้ำลายฉันใดก็ดีถ้ายังเสียดายอยากร่วงล้เมอิดศีลหาอยู่ก็เรียกว่าไม่รู้เท่าศีาะลศีลนะจระรีนั่นคืออะไร คือสมาธิคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ทรงอยู่ที่นั่นด้วยศีลกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่แห่งเดียวกันศีลห้าตัวถ้าเราหรือไม่ล่วงละเมิดมันก็มารวมเป็นตัวเดียวกันอยู่ที่ดวงใจคือศีลใจศีลใจตัดศีลที่ อาตัวซเสียใส่เอสะแต่ก่อนเอาตัวซอสลาใอีแล้วก็รอเองเรียกว่าศีนะศีนตัวนั้นเปรียบเหมือนสีลาทําให้แน่นอย่าไปฆ่าสัต์รักฆ่าปุถ้พิดในกามเนอ้อทําให้แน่นเหมือนสีลาว่าอย่างนั้นเนาะจึงทรงว่าศีนทําไมเราจึงไม่เสียได อยากและจะล่วงแล้วเมืดเพราะเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเป็นยาพิษต้องๆไม่ไม่เครือบน้ำตาลเลยขนานเราจึงไม่เสียดายอยากล่วงอบายมุเพราะเราเห็นชัดลงเอ่ยตามพระองค์ว่ามันเป็นทางแห่งมนุษย์วิบัติ ไม่ใช่มนุษย์สมบัติเราไปจับมนุษย์สมบัติมนุษย์วิบัติมาเป็นมนุษย์สมบัติมันรอก็ตรงกันข้ามเพราะเราใส่ชื่อรือนามไม่ถูกเราบัญญัติบาปบุญไม่ถูกเหมือนพระบรมชาติลาทาไม จึงไม่เสียดายมาเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารอีกก็เพราะเห็นชัดว่าวัฏสงสารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากหารหางไม่ได้เรื่อมใสในพรนะานคณะจิตเดียว มีอานนสงฆ์มากกว่าเรื่องสายสิ่งอื่นล่าหรืออสงไขอสงไ ข, ขคณะกิจอีกเรื่องสาในพระพุะทธธรรมพระสงค์คณะกิเดียวก็เหมือนกันเรื่องสาในการทํามาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบก็เหมือนกัน ผู้ที่ถือศยศาสตร์ต่างๆยังจัดเป็นสมมาทิฐิไม่บริบูรณ์สมมาทิฏฐิจะบริบูรณ์ก็คือสุปฏิปันโนในชั้นเบื้องต้นของพระพุทธศาสานาคือเห็นชอบตามก่านนั้นลงมาไม่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะยังไม่นับเขาในโรกุตระ คำว่าสามาทิตย์ต้องนับเข้าในโลกุตฑะจึงเป็นกฎเกณฑ์ได้นับแต่ชุบเทปโนเป็นต้นไปแต่เราทำบาบาบ้าทําทบุญบ้าเวลาเราจะตายเราเลึกถึงบุญก็ไปห้าบุญเราเลึกถึงบาปก็ต้องไปห้าบาปส่วนชุบเทปโนมันจะเป็นอย่างนั้นนึกถึงบุญสิ่งเดียวเลยไม่บรรดาลให้หลงไปตามบุญเลย ชุติปัตโนผ่านชุติปัตโนแล้วก็ผ่านอุจุแล้วก็ผ่านยายะแล้วก็สารสามีจะผ่านเร็วหรือชาไม่เป็นปัญหานั่นขนยญญขึ้นอยู่กับปัญญาแต่ละท่านขึ้นอยู่กับบารมีแต่ละท่านออกจากสถานีพระสวสดา์ันไปสถานีสักทาคางีออกจากสักทาคาง ไปสถานีพระอนาคามีออกจากพระอนาคามีไปสถานีของพระาราหันแล้วไม่ตีตัวกลับเลยทันเข้าสู่พระเดีภานไปซะถ้าไม่ตีตัวกลับพวกทูปจุปโโุญยาสยามีไม่ตะพื้เลยเข้าสู่พระเดียานเลยแต่พวกเรานี่ตีตัวกลับเป็นเสือเล่ม ซาโอ้ลืมไปสติเวมาโตสเวสวยเสยโยลืมไปลืมมัน่ารู้จักเลยมันลืมมันค่รู้จักกับมันลืมลืมครอมกันเลย รู ก, กลัวแล้ววะเออเอาสงสัยอะไรนะฮะเอกกันเอกว่าบอกกันเองว่าบอกกันเ อ, วรรนองว่าภาวนาของใครของมั น, เ, รรม น, รรมนเนอะฟังออกมาแล้วพูดอย่างนี้ภาวนาของใครของมันเคยภาวนาพุทโธก็ภาวนาพุทโธเนอรับคากันเนอะเอะทีนี่จะทําอะไรกท็ทํำซะงานยังไม่แล้วเนี่ยฮะ เอออะทําซะจะทำอะไรก็ทำซะเจ๊นี้ือพร้อมกำลมหายใจเข้าออกนั่นคือตัวศีลชั้นสูงนั่นคือตัวสมาธิชั้นสูงนั่นคือตัวปัญญาชั้นสูงเป็นกองพลรวมกันไปเพราะเหตุใดจึงยืนยันอย่างนั้นเจ๊นี่ก็เพราะเหตุว่ามันมีแต่สังขารและกองทุกข์ ก็เลยปฏิเสธว่าเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเพราะมีแต่สังขารและกองทุกไม่มีตัวตนเราเขาเสียแล้วเหตุไนจึงเหตุทีไหนจึงยืนยันอย่างนั้น<ม>ก็เพราะเหตุว่ามีแต่สังขารและกองทุกในไตโลกธาตุเหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่าเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นก็เห็นกองทุกนั่นเอง เป็นแต่สักว่าลูกก็คือลูกกองทุกันเองเป็นแต่สักว่าเห็นก็คือเห็นกองทุกั่นเองพระพระเนรพาณ์แม่เนีมายืนยันว่าเห็นว่ามาลูกมางโง่มาสาราดด้วยเอาละที่นี้นะเดี๋ย ว, ย, วยังไม่ให้ครยังไม่ทันให้ผ่เวยเหยาทาเหยาทาวาลีวาาปุราบ า, าลีปริเอนเจสากะลังเอวามีวัยโตทินังไปตานังวะกะปฏิ เจตีังปจตังตุมาหังเกปเมวัตสเมชาตูสภีผู้เรียนดูสังกปายกันโทปนะนาโสยธามณีโชติโสยธาสภตโยวัชันทสัพุโคสัพพโยสัพปุโควินัสสัตุมาเทปวัตตวลดาราโยสกิจีขายุกูพระวะอภิวัตนาสีเิสานิจังุทาปัยญโฉตาโรธรรมวัจจันติอายวันูสุขังพระรังสปปุทานุภาเวนะสัปตะมานุภาเวนะสัปสังคา อนาพเนะพุทธรัตนังธมรัตังสังรัตตนังรัตนังอนุภาเวนะยตุสีสาตธรรมกัอนุภาเวนะปิกตยนุภาเวนคินาสัมภารุภาเวนะสเเทโรคาสเเทิยาสเเทอันตรายาสเเทอุปัฏฐานเเทุนิมิตตาสเเทอวมังคเวนะสันตุอายุวัตตโกตการธรรมะโกตการวัตโตกายสาวโตกาโตกาวโตกาสุโตกาหตะลกะเยวะ โสกาสัตจุปตะวาเนกาอันตรายิเวนสัตุจตเษาสยสิทธิทันางาพังโสติภากียงสังขพรางสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีเจยสวะจตวัสาจะอายุยชีวะสิทธิพวันตุเตวัตุสัพมังคลังคันตระวตาสัพพุทานุภาเวนะสัตตาโสติพวันตุเตพวตุสะพมังครังคันตระปฏวตาสัพพัมานุภาเวนะสัตตาโสติพวันตุเตพวัตุสะพมังคลังลคัน ตัวสัประเทวตาสาาาภาสร้างกาโนภาเวนะสตาสุติปวันตุเตอยู่ทุกว่ามีมีประมาณนั้นเถิดพุทโตธโมสังโฆเนปานะให้พรจนถึงพระเนพานให้พรเป็นโล ก, กุตระพรเอะไรที่นี่มา ท, ท่านท่านเกงบอกว่าสมนานันจะทัศนังการธรรมชาตัจ่าอตมังครมตตมัง การพบเห็นสมณนะก็จะได้สั่งทานของท่านตามกนนะาลเทศะเอตามังคารมุตะมันเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นะนั้นท่านจึงทรงสรรเสริญให้ครบบันทิดบันทิดตายันกะพูดอยังไม่พอฟงกานถ้าอย่างนั้นเอาเนี่ยไปทางนั้นซะมันไม่ค่อยได้ยินนะเนี่ยินเงี่ยหูหวกได้ยินหูหนวกเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ยินหูหนวกยังไม่ค่อยได้ยิน ศัทัทธาจิตเห็นครู่าอาจารย์มันจึงแขึงขังขึ้นถ้าไม่เห็นแล้วมันก็นแลวไป